เราก็ได้พักนะที่วัดป่าช้างขาวนะบ้านป่ามากนะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะสองคืนนะแต่ก็เป็นสองคืนที่อาจจะมีสายผลโปรยปรายบ้างนะ อากาศเย็นบ้างร่านะงกายเราก็พอได้ฟื้นตัวบ้างถ้าฝนไม่ตกต่อก็คงเดินทางต่อเนาะแต่ถ้าฝนตกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที <c oughs> แต่เราก็ได้ เ, เห็นถ้าเห็นวิธีชีวิตชาวบ้านเนาะที่อยู่ขับป่า <c oughs> หรือแม้แต่ พระนะท่านก็อยู่กับป่าท่านก็ต้อนรับนะท่านก็ให้การดูแลพวกเราอย่างดีนะอาหารการกินที่พักปานะนนะนะความสะดวกสบายหลายๆอย่างนะเราก็รู้สึกซาบซึ้งนะขอบคุณใจนะมันก็เหมือนแม้ไม่รู้จักกันนะแต่พอ เราเป็นหมู่นะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องกันนะเาเราเราได้รับสิ่งแบบนี้เนาะเวลาเรากลับไปที่วัดเราหรือที่บ้านเราเมื่อเจออาขันตุ ก, กะเราก็เราก็จะปฏิบัตินะ่ะเหมือนอย่างที่เราเคยได้รับการปฏิบัตินะ เมันเรามาแบบนี้เราเจอหลายๆที่เจอหลายๆคนคเราก็จะเรียนรู้ดูว่าการปฏิบัติกนะารต้อนรับนะในแต่ละที่เป็นอย่างไรนะแบบไหนที่เรารู้สึกว่าออมันดีแบบไหนนะไม่ดีอะไนี้เนาะแต่จริงเราก็ไม่ได้ เราคงไปเรียกร้องให้เขาต้องปฏิบัติดีกับเราทุกที่มันก็ไม่ได้นะแต่เราก็ไปเพื่อจะได้เรียนรู้ดูตัวเองว่านะขนาดที่เราเจอกับสถานการณ์ต่างๆเนาะจิตใจเป็นอย่างไรตรงนี้เนาะมันอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่นะสวดบทพาดาหาเวเปัญจคันธาเนาะ ขันทั้งห้านะเป็นของหนักเน้อนะบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปนะบุคคลก็คงหมายถึงตัวตนนะการมีตัวตนมีอั ต, ตนะ <c oughs> มีความยึดติดนะก็เป็นผู้แบกแบกขันห้าพาไปก็คือแบกแบกรูปนะก็เป็นเรา แบกเวทนาว่าเป็นเราแบกบสัญญาว่าเป็นเราแบกบสังขารว่าเป็นเราแบกบวิญญาณนะการรับรู้ต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรานี่เนาะกนะ็แบกบไปนะแบกไปมันก็เป็นของหนักต่อเมื่อเราเห็นว่าการการแบกบขันทั้งหนะ้าเนี่ยมันเป็นของหนักมันเป็นตัวทุกข์นะ เราก็วางมันได้นยะวางวางภาระของขันได้นะนะจิตก็เบาสบายขึ้นนะี่ทำไมมันถึงแบกบเอาของหนักพาไปนะเพราะว่านะเพราะว่ามันไม่ได้สลัดความปราทะนานะนะยังมีความป่าทนานี่พูดแบบเพื่อแบบเพราะๆนะคำว่าปารถนา แต่ถ้าพูดแบบตรงๆก็คงพูดว่าเพราะมันมีตันหาเนาะเพราะมีตันหา ม, นมีความอยากนะคําว่าปรารถนานี่อาจจะเป็นคําเพราะหรือบางทีใช้ในทางที่ดีนะแต่ก็คือแล้เพราะมีความอยากนะเพราะมีความอยากให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะมีความอยากให้เวทนาอนะ่า เช่นคนส่วนใหญ่ก็ปารรถนาเวทนาก็คือสุขเวทนานะปรถนาความสุขไม่ปรรถนาความทุกข์นะ่สัญญานะจำได้ไหมรู้มันก็ก็คงปรถนาหรือว่าอยากให้มันมันจำได้นะถ้ามันจาไม่ได้ก็อาจจะไม่ชอบนะหรืออยากให้มันจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ชอบ สิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งที่ไม่ชอบก็คงไม่อยากจําสังขารก็คงอยากจะคิดนึกปรุงแต่งแต่ในทางที่ดีนะทางที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากปรารถนาเนาะสังเกตว่าเวลาแบบเช่นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเวลามันเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีจิตหนึ่งมาต้านเลอย่าอย่าคิดอะไรน่ยหยุดอะไรน่ะ พอเกิดความคิดไม่ดีนะมันจะจิตหนึ่งจะคิดอ่ะหยุดพ่ออะไรเนี้ยแต่ถ้าคิดดีนะมันคือจะหลงไปเหมือนกันนะหลงคิดยาวอือยากคิดต่อนะไม่อยากกลับมารู้สึกตัวเนี่ยอันนี้ก็คือพอลึกๆเองเราก็ปรารถนาะอะไรที่มันเป็นความคิดดี่การปรุงแต่งในทางที่ดีนะเราก็ปรารถนาให้มันเกิดขึ้น แต่ถ้ามันคิดไม่ดีเนี่ยจะรีบจุดจะรีบห้ามแต่มันก็คือความปรารถนาให้มันให้มันวก็คือเราไม่ชอบมันน ะ, นะหรือการรับรู้ต่างๆนะวิญญาณการรับรู้นะ่ะทางตาทางหูจมูกร่างกายใจนะมันก็มีความปรารถนานะอยากจะเห็นแต่สิ่งที่ดีดสิ่งสวยสิ่งไม่สวยสิ่ง สกรปรกนะก็คงไม่ค่อยอยากจะเห็นอนะพอเห็นแล้วก็รีบเบือนหน้าหนนะีหูเองก็คงชอบสิ่งที่เขาชมเรานะเสียงเพราะเพราะนะถ้าคำดา่าคำว่านะก็คงไม่ค่อยอยากฟังนะจมูกก็คงอยากได้กลิ่นที่หอมๆอมนะถ้ากลิ่นเหม็นเมก็ไม่อยาก ที่เด็ได้กิ น, นริ้นเองก็อยากได้อะไรที่อร่อยนะอะไรไม่อร่อยไม่ถูกปากนะก็ไม่ชอบแต่จริงไอ้ของบนนี้นะมันเป็นอัตตามันเป็นตัวตนของเราเฉพาะเลยนะเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมันมีสัญญามันมีการรับรู้เวทนาต่างๆน ะ, นะในวิญญาณต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะ ปลาาบางคนชอบนะบางคนไม่ชอบทุเรียนนะบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนว่าอร่อยบางคนว่าไม่อร่อยนะคนแต่ละชาติหรือแม้แต่ในแต่ละชาติเองก็แต่ละบุคคลเองก็ก็มีความชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มนะแตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกันนะนั้นวิญญาณก็คือเพียงแค่การรับรู้นะ แต่รับรู้แล้วเราเราปรุงหรือว่าเราให้ค่าเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจนะอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเลยแต่จริงมันก็ลึกๆก็คือว่ามันมีความมีความปรารถนามีความอยากนมีตัณหานะอยากจะให้มันอยู่นานๆหรืออยากให้มันออกไปนะ อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหรือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอันเนี้ยนั่นคือคือการที่เราเราสร้างเราสร้างการยึดการแบกนะในขันทั้งห้าเนี่ยมันต่อไปเรื่อยๆเนาะต่เมื่อเรามีสติรู้ทันเนี่ยกอจิตมันไปยึดแล้วนะยึดความพอใจ จิตมันไปนยึดความไม่พอใจนะมันวางได้เนะ่ยอย่างที่ส่วนนะต่อเมื่อเราเรียกว่าหมดสิ่งปรถนานะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือเนะี่ยโอ้มันก็คือการวางภาระคันห้าจริงๆนะยังมีรูปนะที่ต้องใช้มีเวทนาสัญญาสงคัญวิญญาณก็ยังต้องใช้แต่คือการ วางภาระคือความอยากให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอยากให้เวทนานะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้สัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้สังขารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้วิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ชอบนะสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่อยากรับรู้อันนี้แหละคือสิ่งที่เราตรงมาดูเนาะตรงมาดูพวกนี้นะ ดูการทํางานของคันห้านะดูความอยากที่มันแทรกเข้ามาในคันทั้งห้านะมันเป็นแบบไหนนะเนี่ยสิ่งที่เรามาดูนะเราก็มาดูตรงนี้แหละนะเราเดินทางไปที่นั่นที่นี่นะก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคันทั้งหนะ้านี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะ แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางทีกระทบกับภัสษะเดียวกันนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางทีธรรมชาติภายนอกนะมันเหมือนกันเลยนะเช่นเราอยู่ในวัดเดียวกันนะเราอยู่ในบรรยากาศสถานที่อากาศเหมือนกันนะเช่นสถานที่สงบแบบนี้นะอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติ แต่ลึกๆแล้วในใจนะของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนนั่งหรือบางคนนอนอยู่นะจิตยังคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เกิดอกุศลเกิดขึ้นแม้ในถ้มกลางธรรมชาติที่ที่สงบนะที่เป็นธรรมชาติเป็นป่าเขาแต่ใจอาจจะเกิดกิเลสฟุ้งแต่งขึ้น มากมายก็ได้หรือบางคนจิตใจก็สงบมีสติดีก็ได้มันไม่เหมือนกันนะถ้าเมืง่งินนะคนในหมู่บ้านนี้นะเขาก็ต้องมีแต่ความสุขมีไม่มีความทุกข์ไปทั้งหมดหรือเมืงั้นหมาแมวนะสัตว์ป่าเองถ้าอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาก็ต้องมีแต่ความสุข เ, เขาก็ต้อง กิเลสค่อยๆหมดไปนะมันไม่จำเป็นนะไม่จาเป็นว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันแนละมันจะทำให้จิตใจของคนเหมือนกันนะมันอยู่ที่ความรู้จักตัวเองนะเมื่อเรารู้จักตัวเองมันจะเกิดความพอใจความพอใจในที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความพอใจจาก จากกิเลส น, นะเป็นความพอใจในความสันโดษนะความควา ม, ความพอใจจากการที่เราพอใจในวิถีนะชีวิตที่เราอยู่เนะี่ยความพอใจมันมันนำมาซึ่งความสงบนะความสงบนั่นแหละมันทำให้เกิดเป็นความสุขนะคือพอเราพอใจละใจมันไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนะ ใจก็สงบนะเมื่อใจสงบจากการดิ้นรนปรุงแต่งนั่นแหละมันถึงจะเกิดความสุขแต่ถ้ามันไม่มีความสันโดษไม่มีความพอใจนะใจก็ยังปรุงแต่งดิ้นรนนะมันก็ไม่เกิดความสงบเมื่อไม่เกิดความสงบมันก็คือเกิดเป็นความทุกข์นั่นแหละนะเนะี่ยมันแล้วแต่แต่ละคนเลยว่าแต่ละคนจะรู้สึกอย่างไงนะ จะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนะี่ยนี่เราก็เราก็มาดูตรงนี้นะเนี่ยอย่างที่จริงอย่างการการที่เรามาเดินทุ ด, ดงนะใช้ชีวิตแบบจาริกแบบเนี้ยมันก็คือบางทีมันไม่ใช่ว่าการที่เรามาทำอะไรที่มันเคร่งครัดนะแบบเพื่อให้คนอื่นเขามองว่าเราเคร่งครัด นะหรือเราเองก็ไม่ใช่มาเคร่งครัดให้ตัวเองเครียดนะให้ตัวเองนะลำบากเป็นทุกข์แต่ภายนอกเท่านั้นนะแต่จริงมันเป็นการเหมือนฝึกให้เรารู้จักพอใจในในการใช้ชีวิตที่เรียกว่าตามตามที่สถานการณ์เขาให้เรามานะ มันไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราพิเศษหรือว่าเราดีกว่าคนอื่นนะอย่างบางคนถ้าเราบางคนถ้าไม่เข้าใจนะอย่างชาวบ้านเวลาเขามองพระปฏิบัตินะ่ะโอ้พระปฏิบัติต้องฉันมือเดียวพระจะปฏิบัติต้องอยู่ในป่านะพระปฏิบัติต้องนุ่งจีวรสีเข้มเข้มนี่มีรูปประคำนะ อันนั้นถึงจะเรียกว่าพระปฏิบัตินะ่ะแต่จริงมันมันเป็นแค่ข้างนอกนะมันเป็นแค่ข้างนอกจริงๆนะเพราะจริงพระปฏิบัติหรือว่าโยมปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะต้องฉันมือเดียวหรือสองมือนะ้อจีวรจะสีอะไรนะจะอยู่ป่าหรืออยู่เมืองเนี่ยมันไม่ได้สำคัญนะแต่มันสำคัญว่า เราพอใจในในสิ่งที่เราได้รับนะนะเราเรียนรู้กายใจของเราในขณะที่เราเกี่ยวข้องหรือเปล่าเนาะอย่างที่จริงอย่างเราฉันมือเดียวหรือสองมือนะนะเราพอใจในอาหารที่เราได้ได้วยความบริสุทธิ์นะเรารู้คุณค่าของอาหารนะ เราได้กำลังวังชาจากอาหารเราเอาไปทำความดีเราไปฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนะียอันนี้คือคือมันสิ่งที่มันถูกต้องละนะจะฉันมือนึงฉันสองมือ้อนะเราพิจารณาอาหารเพียงแค่พออิ่มนะพอได้มีกำลังวังชาเนี่ยก็ถือว่ามันถูกในพระธรรมวินัยละนะไม่ใช่ว่าจะต้องอดอาหารหรือว่าจะต้อง ฉันแค่เมื่อเดียวตลอดเลยนะอันนั้นเป็นแค่ข้างนอกนะนแต่ถ้าใจแบบบางทีบางคนบางช่วงนะอดทหารนะแต่ใจยังคิดอยากกินนั่นกินนี่นะนะี่ตอนเลิอกอดเนี่ยอยากกินนั่นกินนี่อยู่นะมันก็ยังไม่ใช่การพอใจจริงๆนะอดแค่ข้างนอกนะแต่ข้างในอยากนะแต่ถ้าข้างนอกเรามีอะไรให้ฉัน เราพอใจในสิ่งที่เราได้รับนะเราก็ฉันเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เพื่อให้ร่างกายเอาไปทาความเพียรต่อนี่ก็ก็คือความพอใจละอย่างเราใช้เสื้อผ้านะจีวอลหรือเสื้อผ้าโยมก็มีคนละสองชุดสมมตนะินะในการเดินทางแล้วเนี่ยนะมันเป็นการฝึกการอยู่ง่ายนะฝึกการอยู่ง่ายอ่านะ ไม่ใช่ว่าการที่เรามีเสื้อผ้าแค่นี้คือเราเข่งครัทเราดีกว่าคนอื่นแต่จริงมันก็คือฝึกให้รู้ว่าอ๋อที่จริงชีวิตนะอยู่กับความเรียบง่ายแค่นีน้ก็อยู่ได้แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะเสนาสะนะก็เหมือนกันนะถ้าเป็นคาราว่าก็ต้องสร้างบ้านหลังโต บ้างสวยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะๆนะจะได้มีความสบายนะแต่บางทีในเตียงนอนที่หรูๆแอร์ที่เย็นๆอาจจะนอนไม่หลับก็ได้นะนะแต่จริงวิถีแบบพระหรือวิถีแบบผู้ที่จาริกนะมันก็คือเป็นการให้ที่เราฝึกว่าไม่ต้องมีสิ่งเรียกว่าอะไร บริโภคเนะก็คือสิ่งที่มันเป็นพาละเป็นสิ่งยุ่งเหยิงในจิตใจมากพอใจในสิ่งที่เราได้เนี่ยอันนี้คือเป็นการละการบริบริโภคนะในสิ่งที่เกินจำเป็นนะพอใจในสิ่งที่ได้เนะี่ยมันก็ทำให้แบบเราไม่ต้องดิ้นรนปรุงแต่งอะไรมากอ้อมีแค่นี้นะพอใจแค่นี้นะมีชีวิตอยู่แบบเนี้ย ถือว่าเรียบง่ายล้วนะถ้ามันมีมากนะจะเห็นในโอ๊มันเป็นภาระนะมีอาหารเยอะอนะก็เป็นภาระนะนะเดี๋ยวเราสังเกตเมื่อเวลาเราเข้าไปในเมืองนะถ้าเราจะไปซื้อบางทีก็เป็นภาระนะจะไปกินร้านไหนดีพอมีเมนูมาจะเลือกเมนูอะไรดีเนี้ยโอ้มันยุ่งนะ แต่ถ้าเราแบบเนี้ยเออเราไปบินธบาตเออเขาใส่อะไรมาให้เราเราก็กินตามที่เขาใส่นั่นแหละเนี่ยมันง่ายเนีเรามีเสื้อผ้าเพียงแค่นี้นะเราก็ใส่เพียงแค่นี้แหละนะแต่ถ้าเป็นคารวาสทั่วไปโอ้มีเสื้อเต็มตู้มีรองเท้าหลายสิบคู่นะมีกระเป๋าหลายใบอยูนี้เนาะวันนี้จะใส่ เพื่อสีอะไรงเกงสีอะไรกระเป๋าอะไรนะชุดไหนถึงจะเข้ากันถึงจะสวยถึงจะเก๋บ น, นะนี้เนาะโอ้เนี่ยแหละในความหลากหลายนะแต่มันก็เป็นภาระน ะ, ะแต่ชีวิตพาวเนะี่ยมันทําให้เราไม่ใช่ว่าเพื่อความเคร่งครัดน ะ, ะแต่จริงมันทําให้เราเห็นว่าที่จริงมีแค่เนี้ยนะมันสบายนะมีมากกว่านี้นะมันยุ่ง ชีวิตพระก็เลยเป็นชีวิตที่ง่ายเ อ, อมีแค่เนี้แหละพอแล้วเวลาที่เหลือก็จะได้เอาไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มันสูงขึ้ น, นประโยชน์ในการฝึกจิตใจให้สูงขึ้นเช่นฉันมื้อเดียวนี่ไม่ใช่ว่าเพราะแคร่งคัดนะฉันมื้อเดียวเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องกังวลว่ามื้อเที่ยงจะต้องกินอะไรนะ จะต้องเก็บอะไรนะ่ะตอนเย็นจะต้องเก็บอะไรไปกินอีกนะมันสบายนะจีวรก็เหมือนกันนะถ้าเรามีเยอะนะ่ะโอ้กลัวอ่ะกลัวไม่สวยกลัวไม่อุ่นอะไรนั่นนะก็ต้องเอาไปเยอะๆน่ะมันก็เป็นเรียกว่าเป็นภาระนะที่จริงวิถีชีวิตพระท่านให้เราเห็นโอ้อที่จริงการที่ชีวิตไม่เป็นภาระมากก็คือแค่มี มีกินมีใช้เนี่ยมีได้อยู่นะแค่เนี้ยสะดวกแล้วพอแล้วนะถ้ามีมีมากกว่านี้เนะี่ยมันเป็นพาระเนี่ยเนี่ยเราก็จะเห็นอ้อที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเนี่อไม่ใช่เป็นความขังไม่ใช่เป็นความเข่งคัดอะไรหรอกที่จริงก็คือเพื่อให้ชีวิตเราเันเบาสบายนะคล้ายๆเหมือนกับนกนะบินไปไหนก็ได้นะ ไปหาอาหารการกินพอได้อิ่มนะว่าไปวันวันไปวันวันชีวิตพระธุดงค์ก็แา บ, บนั้นนะไม่เราไม่ต้องแบกบอาหารการกินนะไม่ต้องแบกภาระอย่างอื่นไปนะอาศัยบาตรบิณฑบาตรนะมีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้นนะเพื่อผ้านะก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะมีเต็นต์มีกฎนะ ตามต้นไม้บ้างปักตามศาลาบ้างนะก็พอใจละในชีวิตนะเวลาที่เหลือก็จะได้เออเอาไปทำความเพียรเอาไปภาวนาต่อเนะี่ยอันนี้คือวิธีจริงๆก็คือแบบนี้นะนะไม่ใช่ว่าเพื่ออย่างอื่นเลยนะเพื่อให้เราไม่วุ่นวายกับสิ่งภายนอกมากมายเราก็จะได้มีเวลาในการ ฝึกจิตใจมากขึ้นนะแต่ถ้าเราเอาอาจจะภายนอกไม่วุ่นวายมากแต่ถ้าเราจิตใจก็ยังหมกมุ่นวุ่นวายอยู่เนี่ยก็ก็มันยังได้ประโยชน์น้อยนะได้ประโยชน์น้อยนะังนั้นเราก็มาเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะไม่ต้องมีภาระข้างนอกมากเพื่อเราจะได้มีเวลา เอามาทำความเพียร น, นะให้มันมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือคือวิธีของของพระเนาะนะไม่ว่าจะขนาดที่เราทุดดงก็ดีนะถ้าเราเข้าใจดักตนนัวนี้เราไปอยู่ที่วัดเราก็ดีหรือเรากลับไปที่บ้านก็ดีนะนะเราก็จะได้ไม่ต้องเออเป็นผู้ที่ต้องสะสมมากนะหรือสิ่งที่เรามีบางครั้งมันก็มีเพื่อ เอาไปใช้ในตอนโอกาสอื่นนะแต่เราก็จะอืมไม่ต้องวุ่นวายกับมันมากไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆให้มันบริบูรณ์ให้มันมากมายก็ได้เพราะจริงมันก็เกินเกินจําเป็นละนะอย่างโยมบางคนนะเสื้อผ้าเนะี่ยใส่จนตายก็ยังไม่ขาดยังไม่หมดแบบนี้เนาะแต่ก็ เห็นของใหม่ก็ยังอยากซื้ออยู่แบบนี้นะอย่างพระบางรูปนะบางทีเห็นอันนี้ก็อยากได้เห็นนี้ก็อยากได้อยากเอาไว้นะแต่เอามาแล้วจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อยากเอาก่อนแบบนี้เนาะมันก็ยังไม่ใช่นะจริงๆอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรใครนะแต่มันพูดให้ฟังว่าออวิธีที่เราฝึกเนี่ย มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทำรูปแบบภายนอกให้ให้มันขังให้มันเคร่งให้มันดูดีนะแต่จริงลึกๆแล้วแก่นสารจริงๆคือพระเจ้าท่านให้เราอยู่ง่ายท่านให้เราไม่ต้องมีความกังวลมีปราโอทมาก เราก็จะได้มีเวลาไปทำความเพียรให้มากขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยเมื่อไรถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราเรามีเราเป็นนะแบบเรียบง่ายเนะี่ยชีวิตเราก็จะเบาชีวิตก็จะสบายนะอ่นะมันก็จะไม่หนักนะอย่างเราเห็นเนาะเราเราแบกของเยอะๆเนี่ยโอ้ขนาดแบกแค่ของที่จำเป็นเนี่ยมันก็ยังหนักพอสมควรเนาะ ถ้าเราเอาของทุกอย่างที่เราอยากได้เอามาด้วยนี่โอ้แบกบไม่ไหวนะเราเลยต้องสระใช่ไพอเราสระแล้วมันก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นนะยิ่งถ้าเราสะระอารมณ์ภายในจิตใจของเราได้นะสะระความอยากออกไปจากจิตใจได้นะี่โอ้มันจะยิ่งเบาขนาดไหนนะสะระอารมณ์ที่ไม่พอใจนะ สระอารมณ์ที่พอใจออกจากจิตใจได้เนี่ยเนยมันก็จะเบานะเวทนาก็เบานะอจะอยู่แบบไหนก็ได้นะสระนะสัญญานะในอดีต ท, ที่มันลกลุงรังออกไปจากจิตใจได้คนนั้นเคยทํากับเราอย่างนั้นอย่างนี้นะเราสดะออกไปได้เนะี่ยใจก็เบาไม่ไปคิดโกรธพยาบาทเข้าแล้วเนะี่ยใจก็เบานะ สกการปุงแต่งนะในความฝันศนะักย์ความปุงแต่งในความคิดจินตนาการต่างๆได้เนะี่ยจิตใจก็เบาสบายศนะัสระการกระทบนะกระทบแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านต่อนะกระทบก็คือแค่รู้ฝึกมันกระทบมันนะนะไม่ไปไม่ไปคิดจินตนาการต่อเนะี่ยมันก็เบาสบายนยะ มันก็เหลือแต่รูปเนี่ยแหละเนี่ยมันสาะไม่ค่อยได้นะต้องใช้นะแต่ก็คือสระการยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้ว่าเป็นเราได้แต่มันก็ยังต้องใช้ต้องแบกนะต้องดูแลมันอยูนะ่แต่มันก็ใช้แบบไม่เป็นทุกข์เนาะก็เห็นแยกได้นะกายเคลื่อนไหวมันก็อันหนึง่งเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็อันหนึงนะ่งเนาะ เห็นความปวดความเมื่อยความเจ็บนะความร้อนความหนาวที่มันเกิดขึ้นกับกายอันหนึ่งนะกายมันก็อันนึงนะความรู้สึกที่เราสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเวทนานะ่ะของรูปนะมันก็อีกอันนึงนะจะแยกได้กอกายก็อันนึงเวทนาของกายก็อันนึงเวทนาของใจก็อันนึง่งนะเห็นอืม เห็นมันแยกกันอยู่นะมันอยู่มันอยู่ที่เดียวที่เดียวกันอะไรนะแต่มันแยกกันพอแยกกันได้นะใจก็เบาใจก็สบายนะกายก็ยังจาเป็นทุกอยู่นะกายก็ยังเป็นภนะ า, าระอยู่แต่ใจเบาสบายขึ้นอันนี้แหละนะขันทั้งห้านะมันเป็นของหนักบุคคลเป็นผู้แบกของหนัก าไปนะตอนเมื่อเราเห็นของหนักมันเป็นทุกข์นะเราถึงจะสะดัดของหนักทิ้งลงเสียได้นะเมื่อสะดัดของหนักทิ้งลงเสียได้นะก็คือมันคือดับสิ่งที่ปัรถนาดับความอยากนะออกจากจิตใจได้นะมันก็เกิดการวางภาระวางของหนักลงเสียนะเนี่แหละคือหนทางเนาะที่เราเดินทาง ก็ฝากทุกคนไ้ครับนะ